เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องเด็กเซอร์ท่านเจ้าคุณพระเขมาสุตาจาร์อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอดีตเจ้าคณะ12วัดประโยะระวงสาวาทใช้เด็กไปซื้อของนี่ไอเปียกเองไปตลาดซื้อน้ำเขียวๆแดงๆมาซักสองขวดไปเจ้าเปี๊ยกหายไปพักหนึ่งก็กลับมารายงานว่าน้ำเขียวๆแดงๆไม่มีครับมีแต่น้ำแดงก็แดงน้ำเขียวก็เขียวครับ เรื่องนี้สอนว่าอย่าไปโกรธคนไม่มีไหวพริบพูดไปก็เหนื่อยเปล่าเวลาจะใช้คนโง่ทำงานก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างอย่าหวังสูงเกินไปจะได้ไม่มานั่งเสียใจในภายหลัง